ผู้ที่ไม่สามารถจะรักษาศีลแปดได้เนื่องจากร่างกายมีโรคประจาเนื่องจากต้องรับทานอาหารบ่อยๆเพราะตัดกระเพาะอาหารไปบางส่วนฉะนั้นได้แต่ปฏิบัติเพียงศีลห้าได้แต่ปฏิบัติเพียงศีลห้าก็ดีโขแล้วการปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์สะอาดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้สมาธิได้ปัญญาเหมือนกันบรรลุมรรคผลนิพพาน ตัวอย่างเช่นนางวิสาขาก็มีศีลห้านางวิสาขาสาเร็จปะโสดาบันตั้งแต่อายุเจขวบยังไปแต่งงานอยู่ก็แสดงว่ามีเพียงแค่ศีลห้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นนางวิสาขานี่เป็นปะโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลผู้มีแต่เพียงศีลห้าเท่านั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลการปฏิบัติแบบใดที่จะทำให้ให้มีความรู้ จิตของตนเฉพาะภายในพร้อมทั้งพูดคุยกับคนอื่นๆอันนี้การปฏิบัติแบบใดอย่างไรคำถามนี้ตรงกับคำที่ว่าทำอย่างไรจิตจริงจะสงบเป็นสมาธิได้เร็วและจริงจะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้เร็วต้องการอยากจะให้เป็นได้เร็วต้องทำมากมาก อย่างที่ว่าวันหนึ่งทำให้ได้สามครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงรับรองว่าเป็นได้หรือคำตอบก็มีแค่นั้นจิตตกใจกลัวและตกใจง่ายเพิ่งจะเริ่มปฏิบัติมากคิดเป็นมักคิดว่าเป็นสิ่งไม่ใช่ธรรมดาเป็นสิ่งลึกลับอันนี้การปฏิบตับ ต, บติบางอย่าง ถ้ า, าว่าเราไปศึกษาตามแบบชนิดที่เรียกว่าไปขอพลังหรือไปเชิญอะไรสักอย่างหนึ่งให้มาช่วยจิตถ้ามันเป็นไปได้เร็วได้ทำรองนั่นอันนี้มันมักจะเกิดความวิตกกังวลว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาสิงมาสู่ภายในจิตในใจแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยเกิดมีความหวาดกลัวอันนี้เคยเจออยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้น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 ไอ้ผู้ที่ทำไปนั้นไม่ทราบว่าท่านมุ่งผลประโยชน์อันใดนี่ก็ไม่ขอวิจารณ์แต่ว่าการที่ไปเรียนสมาธิแบบมันเหมือนกับเรียนไสยศาสตร์นั่นเป็นการไม่ถูกต้องอาจารย์ของหลวงพ่อนี่เกยสอนคนแต่ท่านสอนแต่ฆราวาสและฆราวาสที่ก็สอนแต่โยมผู้ชายโยมผู้หญิงไม่สอนเรียกว่าสอนธทรรมพระไตรใครภาวนาเป็นแล้ว มีสมรรถภาพในการขับไล่ผีคนที่ถือผีถือสางนี่เอาไปทำน้ำมนต์ขับไล่ในเลกถือผีถือสางมดแต่ว่าเมื่อพระแล้ปีติขึ้นแรงพอภาวนาตอนแรกๆในนึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธในใจพอเกิดปีติขึ้นมาแล้วจะมีเสียงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธดังก้องออกมาพอดังออกมาแล้วยังเหลือแต่โทโทโทโทขับเดียวพอเงียบโทลงไปแล้วทีนี้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 พอดูสักนาทีหรือครึ่งนาทีพอหลับพับลงไปเดี๋ยวนี้มันจะมองเห็นเป็นดวงสว่างเป็นจุดอยอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาแตาจะว่าเป็นสมาธิก็เป็นเรื่องสมาธิขันิ่ะสมาธิทีนี้ความสว่างตามความหมายแห่งองค์ประกอบของสมาธินั้นในตอนแรกๆมันก็อาจจะสว่างขึ้นมาเป็นดวงเหมือนดวงไฟเหมือนกันสําหรับ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 จิตเริ่มมีสมาธิถ้าหากสมาธิอันนี้เรายังรู้สึกว่ามีตัวปล่ากดอยู่เป็นปสมาธิขั้นอุปจาระถ้าหากว่าปล่ากฏว่าตัวหายไปแล้วยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่อันนั้นเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิขั้นอัปปนานี่อัปปนาขั้นต้นนี่มันเป็นแตเพียงปฐ ม, มจิตปฐมวิญญาณปฐมสมาธิเป็นปุบภณิมิต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 การเรียนหรือการสอนอริธรรมนักปฏิบัติหรือนักภาวนานี่จําเป็นต้องเรียนอริธรรมหรือไม่อันนี้ในฐานะที่เรายึดหลักว่าปริญัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีปริญัติปฏิบัติปฏิเวททั้งสาม ปริยัติคือการเรียนรู้ปฏิบัติคือเอาความรู้ที่เรียนแล้วมาปฏิบัติปฏิเวทคือผลซึ่งเกิดจากความรู้นั้นน่าจากการปฏิบัตินั้นเพราะฉะนั้นปริยัตินี่ก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนไม่เรียนมากก็ต้องเรียนน้อยไม่เรียนน้อยก็ต้องเรียนมากกพราเป็นแนวทางจะไม่เรียนเลยนั้นไม่สมควรถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ท่องบนแบบเรียนตามตำรับตาลาก็าตาม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 ทำความเข้าใจของอกับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายการปฏิบัติธรรมนี่เราจะไปปฏิบัติตูที่ไหนอย่างไรเอาเราเอากายกับใจนั่นะไปปฏิบัติทีนี้ถ้าหากต่างว่าทุกๆท่านอาจจะตั้งปณิธานว่าฉันจะพยายามสร้างห้องพระในบ้านของฉันนี่ยให้เป็นวัดน้อยๆขึ้นมา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 ในเมื่อฉันให้คำแนะนำคุณไปแล้วคุณไปทำที่บ้านในเมื่อคนทำามื่ออยู่ที่บ้านคุณไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตานั่งสมาธิภาวนาคุณก็มีพระปฏิบัติเจตวัตอยู่ในบ้านคุณทุกวันถ้าคนภาวนาทำาจตเทศสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้เพียงครั้งเดียวจะมีคุณค่ายิ่งกว่าที่นิมนต์พระตั้งแปดหมื่นองไปสวดหมด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 อาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมสงบถ้ามันหาความสงบไม่ได้ถา้าเราลำคาญต่อความสงบเราอาจจะตั้งปณิธานว่าฉันจะนั่งสมาธิแข่งกับเสียงถ้าเสียงมันไม่เงียดไปฉันจะไม่หลุกถา้าหากนั่งสมาธิเจ็ดมันสงบไปแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังได้ยินเสียงรถมันวิ่งอยู่นั่งต่อไปอีก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 เมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกเช่นอย่างในปัญหานี้จิตกาหนดอารมหายใจเป็นเครื่องรู้แล้วสติเอารมหายใจเป็นเครื่องระลึกปรากฏการที่เกิดขึ้นจิดตามลมหายใจเข้าออกเข้าออกจนกระทั่งลมหายใจรู้สึกละเอียดลงไปเมื่อลมหายใจละเอียดลงไปแล้วปรากฏว่าลมหายใจก็หายไป ต่างกายที่มีอยู่ก็หายไปแล้วเปรากฏว่ามีจิตสงบนิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ในในใ น, ในที่นี้ใช้คําว่าขาวสายขาวบริสุทธิ์แล้วยังแถมว่ามีเป็นเส้นเหมือนเส้นได้หลอดที่นี้เส้นได้หลอดนี่มันก็ไปตรงกับคําว่ากระแสจิตส่งกระแสออกไปไกล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 ถ้าหากเป็นอปปนาสมาธิในขั้นต้นจิตจะเป็นนิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เฉยๆความรู้มีแต่เพียงรู้ว่าจิตสงบนิ่งมีแสงมีความสว่างเท่านั้นอันนี้เป็นสมาถะหรืออัปปนาสมาธิเกิดขึ้นในขั้นสมาถะภาวนาแต่ถ้าหาว่าจิตได้ผ่านการพิจารณาหรือมีความสําคัญมั่นหมายได้พิจารณาอารมณ์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 แล้วจิตสามารถประคองตัวอยู่ได้โดยอัตโนมัติเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าความประชุมพร้อมแห่งอักถึงแม้ว่าจะเป็นขั้นต้นๆก็เป็นแนวทางปัญหาข้อที่สองปรากฏชัดทั้งรู้ทั้งเห็นเท่ากับมองเห็นด้วยสายตาภายนอกอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาในเมื่อสิ่งใดปรากฏขึ้นมาแล้วก็ทั้งรู้ทั้งเห็นถ้าหาก ความรู้ความเห็นที่มันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ภาวนายังมีตัวปรากฏอยู่ถ้าเกิดนิมิตขึ้นมาจะดูคล้ายๆมองเห็นด้วยสายตาแล้วก็รู้ด้วยใจเราจ ะ, ะนั่นท่านผู้นี้จึงว่าทั้งรู้ทั้งเห็นคือรู้ด้วยใจแล้วมองเห็นด้วยสายตาอันนี้เป็นนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นในขั้นต้นในขณะที่จิตกาลังเป็นอุปจารสมาธิ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 ขั้นปฏิภาคาณิมิตจิตรู้แล้วก็มองเห็นด้วยใจเรียกว่าตาใจระดับโอคาโอคาหานิมิตนี่จิตทั้งรู้เห็นด้วยใจทั้งมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ไม่ได้หลับตาแต่ประสาทการรู้เห็นทางตายังไม่หายขาดไปแต่ถ้าอยู่ในขั้นปฏิภาคระิมิตแล้วมีแต่จิตรู้เห็นคนเดียวจะขู่ประสาทไม่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 ในแง่อสุภกรรมาฐานบังในแง่าธาตุสี่ที่น้ำลมไฟบังโดยเอาอาการ32นี่เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในขณะที่เรากำหนดพิจารณาดูกายคืออาการ3 2นั้นความจริงเราตั้งใจดูแต่เรื่องของกายแต่พร้อมๆกันนั้นเราก็จะรู้เรื่องของเวทนาของจิตของธรรมไปด้วยเวทนาเราดูกาย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 การตอบปัญหาที่ท่านทั้งหลายส่งคำถามมาก็เป็นอันว่าตอบครบถ้วนทุกปัญหาแล้วอาจจะถูกต้องตามความประสงค์ของท่านบ้างหรือไม่ถูกต้องบ้างก็ถือโอกาสอขออภัยท่านทั้งหลายด้วยอะไรที่มันยังไม่ตรงกับความต้องการก็ข อ, ขอให้ท่านตั้งใจพิจรารณาต่อไปอีกแตปัญหามีอยู่ว่า